พัวะสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวตูวเราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้ด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงด้วยคำร้ายสาระเป็นเท็จไม่เป็นความจริงว่าพระสมณาโคโดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตไปแล้วพระสมณโคโดมตรัสอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสุภวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามพัวะ แท้จริงเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเลยว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสุภวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามแต่เราเกล่าวอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสุภวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นพระขวะโคตรปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่า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 มีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันเข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่นี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากก็จริงแต่ข้าพระองค์จักรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วพักวัโคตรปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วแหล่ปาติกสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อุทุมมะภริกาสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาที่อุทุมมะภริการามเรื่องปริพาโชคชื่อนิโครธเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาขิจกูรเขตกรุงราชครึกก็สมัยนั้นปริพาโชคชื่อนิโครธอาศัยอยู่ในปริพาชการามของพระนางอุทุมมะภริกา พร้อมกับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ3 0 0พันคนครั้งนั้นข้าบดีชื่อสันทานออกจากกรุงราชครึเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันขณะนั้นข้าบดีชื่อสันทานมีความคิดดังนี้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่สมัยที่จะเข้าไปพบเหล่าภิกษุผู้เป็นที่เจริญใจ เราภิกษุผู้เป็นที่เจริญใจยังพักอยู่หลีกเร้นทางที่ดีเราควรเข้าไปหานิโครดปริภาชกถึงปริภาชการามของพระนางอุทุมมภริกาจากนั้นจึงเข้าไปหานิโครธปริภาชกถึงปริภาชการามของพระนางอุทุมมภริกาเวลานั้นนิโครดปริภาชกนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมูใหญ่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 เรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลบไปแล้วเรื่องเบ็ะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมนิครัวปริพาชกเห็นสันธานข้าบดีมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงสันธานข้าบดีผู้นี้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกําลังมาอันหนึ่ง สันทานข้าบดีผู้นี้เป็นคนหนึ่งในบรรดาสาวกของพระสมณโคดมผู้เป็นครหัหนุ่งขาวห่มขาวเท่าที่อาศัยอยู่ในครองราชคย์ก็ท่านเหล่านี้ชอบเสียงเบาได้รับการอบรมในเรื่องเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาบางทีเมื่อเขาทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาอาจจะเข้ามาก็ได้เมื่อนิโครดปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกเหล่านั้นจึงได้เงียบ ครั้งนั้นสันธานข้ า, าบดีเข้าไปหานิโครธปริพาชคถึงที่อยู่ได้สนทนาปราสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนาที่สมควรได้กล่าวกับนิโครธปริภาชคดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายฝ่ายอัญญะเดรธี ป, ปริภาชคเหล่านี้มาพบปะสมาคมกันแล้วมีเสียงดังอื้ออึงอยู่มักสนทนถึงเดรชานคถาต่างๆคือเรื่องพระราชา เรื่องโจรและถึงเรื่องความเจริญและความเสื่อมแต่ฝ่ายพระผู้มีพระภาคนั้นทรงใช้เสรนาสนะเป็นป่าละมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึ ก, กทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นเมื่อสันทานข้าบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิครธปริภาชก จึงกล่าวกับสันทานข้าบดีดังนี้ว่าขหาพดีท่านพึงทราบเถิดพระสมณโคโดมจะเจรจากับใครได้จะสนทนากับใครได้จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือกว่าใครพระปัญญาของพระสมณโคโดมเหมาะกับเรือนว่างเท่านั้นพระสมณโคโดมไม่กล้าเข้าไปสู่บริษัทไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่ณภายในที่สงัดเท่านั้น เหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนอยู่ณภายในที่สงัดเท่านั้นพระปัญญาของพระสมณะโคดมเหมาะกับเรือนว่างพระสมณะโคดมไม่กล้าเข้าไปสู่บริษัทไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่เฉพาะภายในที่สงัดเท่านั้นข้าหาบดีขอให้พระสมณะโคดมมาสู่บริษัทนี้เถิดพวกเราจะผูกพระสมณโคดมด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้น เวียงให้หมุนเหมือนหม้อเปล่าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสดับถ้อยคำสนทนาระหว่างสันทานขณะบดีกับนิคโครปริพาชกนี้ด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิจกูฏแล้วเสด็จเข้าไปยังสถานที่ให้เหยื่อ น, นกอยุงที่ฝั่งสะโบคอรณีสุมาคาา สเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณนะสถานที่นั้นเนืโครธปริภาชกเห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณนะสถานที่ให้เหยื่อนกยุงที่ฝั่งสะโบครณีสุมาคาาจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อยอย่าทรงเสียงอื้อเอิญพระสมณโคดมนี้สเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณนะสถานที่ให้เหยื่อนกยุง ที่ฝังสะโบกขรณีสุมาคทาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงได้รับการอบรมในเรื่องเสียงเบาตระสรรเสริญเสียงเบาบางทีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาอาจจะเสด็จเข้ามาก็ได้ถ้าว่าพระสมณาโคดมจะพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้ไซพวกเราจะพึงทูลถามปัญหานี้กับพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวกทำให้เหล่าสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วถึงความเบาใจปฏิญาณอาทิพรหมจันทร์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงเมื่อนิโครธปริพาโกคลราอย่างนี้แล้วปริพาชคเหล่านั้นจึงได้เงียบ ลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะทีนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหานิโครดปริพาชกถึงที่อยู่นิโครธปริพาชกจึงทูลเชิญดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี่ขอพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธาธที่ปูราดไว้เถิด พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูราดไว้แล้วส่วนนิโครธปริพาชกก็เลือกนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่าํากว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่านิโครธเวลานี้ท่านทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้นิโครธปริพาชกเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณนะสถานที่ให้เหยื่ยนอนกยูงที่ฝั่งสะโบครณีสุมาคาาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าถ้าพระสมณะโคดมจะพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้พวกเราจะพึงทูลถามปัญหานี้กับพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวก ทำให้เหล่าสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนาแล้วถึงความเบาใจปฏิญาณอธิพรหมจันทร์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงเรื่องนี้แหละที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิคโครดทำที่เราใช้แนะนำเหล่าสาวกทาให้เหล่าสาวกที่เราแนะนำแล้วถึงความเบาใจ ปฏิญาณอาทิพรหมจันทร์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงนี้เป็นธรรมที่ท่านผู้มีทิฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันรู้ได้ยากเชิญเถิดนิโครธท่านจงถามปัญหาเรื่องกีดกันบาปอย่างยิ่งในลทัทธิอาจารย์ของตนกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลทัทธิกีดกันบาปด้วยตะบะ ที่บริบูรณ์เป็นอย่างไรที่ไม่บริบูรณ์เป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปริพาชกเหล่านั้นได้ทรงเสียงอื้ออึงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอาศัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะโคโดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงหยุดลัทธิของพระองค์ไว้ทรงเปิดโอกาสให้ถามลัทธิคนอื่นได้ นั้นเนี่ยโคร่ปริยาชกห้ามปริยาชกเหล่านั้นให้สงบเสียงแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เถิลัทธิกิดกันบาปด้วยตะบะมีการกิดกันบาปด้วยตะบะเป็นแก่นสารยึดติดอยู่กับการกิดกันบาปด้วยตะบะการกิดกันบาปด้วยตะบะที่บริบูรณ์เป็นอย่างไรที่ไม่บริบูรณ์เป็นอย่างไร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 นอนตะแคงข้างเดียวเอาฝุ่นคลุกตัวอยู่กลางแจ้งนั่งบนอาสนะตามที่ปู่ลาดไว้บริโภคคูดคือถือการบริโภคคูดไม่ดื่มน้าเย็นคือถือการไม่ดื่มน้าเย็นอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำนิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตะบะเป็นลัทธิที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตะบะเป็นลัทธิที่บริบูรณ์แน่นอนมิใช่ไม่บริบูรณ์นิคโครธเรากล่าวว่าการกีดกันบาปด้วยตะบะแม้ที่บริบูรณ์อย่างนี้ก็ยังมีอุปกเล์อยู่เป็นอันมาก ว่าด้วยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าการกีดกันบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์อย่างนี้ก็ยังมีอุปกิเลสอยู่อีกเป็นอันมากนิคโครธหนึ่งบุคคลผู้บันเพ็นตบะในโลกนี้ยึดมั่นตบะเขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลผู้บัเพญตบะ ยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุให้เขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลตของบุคคลผู้บัาเพนตบะ 2. บุคคลผู้บัาเพนตะบะยึดมั่นตบะเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลผู้บัาเพนตะบะยึดมั่นตบ ะ, บบนตบะจนเป็นเหตุให้เขายกตนข<อ>่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลตของบุคคลผู้บ <ๆ S 1> ําเพญตบะ 3. บุคคลผู้บันเพญตบะยึดมั่นตะบะเขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาทด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลผู้บันเพญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุให้เขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาทด้วยตบะนั้นนี้แลเป็นอุปกรล์ของบุคคลผู้บัเพญตบะ 4. บุคคลผู้บันเพญตบะยึดมั่นตบะ เขาทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขามีใจยินดีมีความดําริอันบริบูรณ์ด้วยลาบสักระและความสรรเสริญนั้นข้อที่บุคคลผู้บําเพ็ญตบะยึดมั่นตะบะจนเป็นเหตุทําลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นเขามีใจยินดีมีความดําริอันบริบูรณ์ด้วยลาบสักระและความสรนเสริญนั้นนี้แลเป็นอุปกิเล์ของบุคคลผู้บําเพ็ญตะบะ 5. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักระและความสรนเสริญนั้นข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักระและความสรนเสริญนั้น นี่แหละเป็นอุปกิเล์ของบุคคลผู้บันเพ็ญตบะ 6. บุคคลผู้บันเพญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาดด้วยลาบสักระและความสรนเสริญนั้นข้อที่บุคคลผู้บันเพ็ญตบะยึดมั่นตะบะจนเป็นเหตุทำลาบสักระและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นเขามัวเมาหลงไหล ถึงความประมาทด้วยลาบสักระและความสันเสรนั้นนี้แหลเป็นอุปกิเลส ข, ของบุคคลผู้บมเพญตบะ 7. บุคคลผู้บมเพญตะบะยึดมั่นตบะถึงกับแบ่งโภชนะสองส่วนว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งใดที่เขาไม่ชอบเขาก็อยากทิ้งสิ่งนั้นส่วนสิ่งใดที่เขาชอบเขาก็พัวพันยินดีหลงไหลยึดติดสิ่งนั้นมองไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ข้อที่ละถึงนี้แหละเป็นอุปกิเลส ข, ของบุคคลผู้บมเพนตบะ 8. บุคคลผู้บมเพนตบะยึดมั่นตบะเพราะเหตุแห่งความอยากในลาบสักระและความสันเสริญด้วยคิดว่าพระราชามหาอมาของพระราชากษัตริย์พรามขหบดีเดลถีจากสักระเรา ข้อที่ละถึงนี้แหลเป็นอุปกเล์ของบุคลบบบคลผู้บำเพ็ญตบะ 9. กบุคคลผู้บำเพ็ญตบะระรานสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่าก็ชไหนผู้นี้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างกินไปหมดทุกอย่างคือพืชเกิดจากเหง้าพืชเกิดจากลำต้นพืชเกิดจากตาพืชเกิดจากยอดและพืชเกิดจากเมล็ดเป็นที่ห้า ปลายฟันของผู้นี้คมคริบ ป, ประดุดสายฟ้าคนทั้งหลายยังพากันเรียกว่าเป็นสมณะข้อที่ละถึงนี้แหลเป็นอุปคีเลดของบุคคลผู้บัมเพนตะบะสิบบุคคลผู้บัมเพนตะบะเห็นสมณะหรือพรามอื่นผู้กำลังได้รับสักระเคารพนับถือบูชาอยู่ในตระกูลทั้งหลายเขาดำริอย่างนี้ว่า ในตระกูลทั้งหลายคนทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้ที่เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างแต่ในตระกูลทั้งหลายไม่มีใครสักระไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือไม่มีใครบูชาเราผู้บัมเพนตบะซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุเศร้ามองเขาทำความริษยาและความตรนีให้เกิดขึ้นในตระกูลทั้งหลายข้อที่ละถึงนี้แล เป็นอุปกรณ์ ข, ของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 11. บบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มีปกตินั่งในที่ที่คนเห็นได้ข้อที่ละถึงนี้แหละเป็นอุปกรณ์ ข, ของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 12. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเที่อวดตนในตระกูลทั้งหลายว่าการกระทําแม้นี้ก็มีในตบะของเราการกระทําแม้นี้ก็มีในตบะของเราข้อที่ละถึงนี้แหลเป็นอุปกิเลส ข, ของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 13. บบุคคลผู้บำเพ็ญตบะใช้ประโยชน์จากความผิดบางอย่างที่ปกปิดไว้เมื่อถูกผู้อื่นถามว่า สิ่งนี้ควรแก่ท่านหรือจึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรว่าควรกล่าวถึงสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเขาพูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ด้วยประกาศนี้ข้อที่ละถึงนี้แลเป็นอุปกิเลส ข, ของบุคคลผู้บัมเพนตบะ 14. บุคคลผู้บัมเพนตบะเมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดงธรรมอยู่ย่อมไม่คล้อยตามธรรมบรรยายที่ควรคล้อยตาม อันมีอยู่นั่นเทียวข้อที่ละถึงนี้แลเป็นอุปกิเล์ของบุคคลผู้มีตบะ 15. บุคคลผู้บันเพ็ญตบะเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ข้อที่บุคคลผู้บันเพนตบะเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้นี้แลเป็นอุปกิเล์ของบุคคลผู้บันเพ็ญตบะ 16. บุคคลผู้บันเพญตบะเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอละถึง 17บุคคลผู้บัมเพญตบะเป็นผู้ริศยามีความตรนีและถึง 18. บุคคลผู้บัมเพญตบะเป็นผู้โ อ, โอ้อวดมีมายาละถึง19บุคคลผู้บัมเพญตบะเป็นผู้กระด้างถือตัวจัดละถึง20บุคคลผู้บัมเพนตบะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาชั่วละถึง21 บุคคลผู้บำเพญตบะเป็นผู้มีความเห็นผิดประกอบด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิละถึง22บบุคคลผู้บำเพญตบะเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากข้อที่บุคคลผู้บำเพนตบะเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากนี้แล เป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะนิครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการกรีดกันบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการกรีดกันบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแน่นอนไม่ใช่ไม่เป็นอุปกิเลสข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะ บ, บางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้ครบทุกอย่าง เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลผู้มีอุปกิเลสเพียงบางข้อเรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงสัเกตนิคโครธ 1. บุคคลผู้บันเพนตบะในโลกนี้ยึดมั่นตบะ เขามีใจไม่ยินดีไม่มีความดำริแอนบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุให้เขามีใจไม่ยินดีไม่มีความดำริแอนบริบูร์ด้วยตบะนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 2. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยตะบะนั้นข้อที่ละถึง เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 3. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาไม่มัวเมาไม่หลงไหลไม่ถึงความประมาดด้วยตบะนั้นข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 4. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทําลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขามีใจไม่ยินดี ไม่มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาบสักระและความสันเสรนั้นข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 5. บุคคลผู้บําเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทําลาบสักระและความสันเสรให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นด้วยลาบสักระและความสัเสรนั้นข้อที่ละถึง เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 6. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาบสักระและความสันเส ร, ริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้ น, น, นเขาไม่มัวเมาไม่หลงไหลไม่ถึงความประมาทด้วยลาบสักระและความสันเส ร, ริญนั้นข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 7. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะ เขาไม่พิจารณาโภชนะทั้งหลายเป็นสองส่วนว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งใดที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่อยากทิ้งสิ่งนั้นส่วนสิ่งที่เขาชอบเขาก็ไม่พัวพันไม่ยินดีไม่หลงไหลไม่ยึดติดสิ่งนั้นเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 8. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะไม่ยึดมั่นตบะเพราะเหตุแห่งความอยากได้ลาบสักระและความสรรเสริญด้วยคิดว่าพระราชามหาอมาตย์ของพระราชากษัตริย์พราหมณ์าพเดี๋ยเดรธีจากสักระเราข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 9. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะไม่ระรานสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่า ก็ชไหนผู้นี้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างกินไปหมดทุกอย่างคือพืชเกิดจากเหงา้าพืชเกิดจากลําต้นพืชเกิดจากตาพืชเกิดจากยอดและพืชเกิดจากเมล็ดเป็นที่หปลายฟันของผู้นี้คมกริบประดุดสายฟ้าคนทั้งหลายยังพากันเรียกว่าเป็นสมณะข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้สิ บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้กําลังได้รับสักระเคารพนับถือบูชาในตระกูลทั้งหลายเขาไม่ดํฤติอย่างนี้ว่าในตระกูลทั้งหลายคนทั้งหลายย่อมสักระเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้ผู้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างแม้ในตระกูลทั้งหลายไม่มีใครสักระไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือไม่มีใครบูชาเราผู้บำเพ็ญตบะ ซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุเศร้ามองเขาไม่ทำความริษยาและความตรนีให้เกิดขึ้นในตระกูลทั้งหลายข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้สิบเอ็ด บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่มีปกตินั่งในที่ที่คนเห็นได้ข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 12. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะย่อมไม่เที่ยวอวดตนในตระกูลทั้งหลายว่าการกระทําแม้นี้ก็มีในตบะของเราการกระทําแม้นี้ก็มีในตบะของเราข้อที่ละถึง เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 13. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะไม่ใช้ประโยชน์จากความผิดบางอย่างที่ปกปิดไว้เมื่อถูกผู้อื่นถามว่าสิ่งนี้ควรแก่แท่านหรือจึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ควรว่าควรเขาไม่พูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ด้วยประการชนนี้ข้อที่ละถึง เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 14. บุคคลผู้บำเพ็ญตะบะเมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดงทำอยู่ย่อมคล้อยตามธรรมบรรยายที่ควรคล้อยตามอันมีอยู่นั่นเทียวข้อที่ละถึงเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 15. บุคคลผู้บำเพ็ญตะบะเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว ข้อที่บุคคลผู้บัมเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไว้เขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 16. บุคคลผู้บัมเพญตบะเป็นผู้มีลบหลู่ไม่ตีเสมอ 17. บุคคลผู้บัมเพญตบะเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณี 18. บุคคลผู้บัมเพญตบะเป็นผู้ไม่อ้อวดไม่มีมายา19 บุคคลผู้บำเพนตบะเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ถือตัวจัด2ี่สิบบุคคลผู้บำเพนตบะเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาชั่วไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาชั่ว2ี่สิบเอ็ดบุคคลผู้บำเพนตบะเป็นผู้ไม่มีความเห็นผิดไม่ประกอบด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิ2ี่บสองบุคคลผู้บำเพนตบะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นทิฏฐิของตนไม่ถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ง่าย ข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นทิฏฐิของตนไม่ถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ง่ายเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นอย่างนี้นิคโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามนานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามนานี้การกีดกันบาปด้วยตบะ เป็นลัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอนไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นนิคโครธการกิจกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นไม่ที่แท้เป็นลัทธิที่ถึงเพียงสักเจ็ดเท่านั้น เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงเปลือกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การกี่กันบาปด้วยตะบะด้วยเหตุเพียงเท่าไหรเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นขอประธานวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดและถึงแก่นแห่งการกี่กันบาปด้วยตะบะเถิดนิคโครธบุคคลผู้บำเพ็ญตะบะในโลกนี้เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการ บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้ 1. ไม่ทำชีวิตให้ตกล่วงไปไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำชีวิตให้ตกล่วงไปเมื <ME> ่อผู้อื่นทำชีวิตให้ตกล่วงไปก็ไม่ดีใจ 2. ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ใช้ให้ผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ เมื่อผู้อื่นเถอเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ก็ไม่ดีใจสไม่พูดเท็จไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จก็ไม่ดีใจ 4. ไม่เสพการามคุณไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสบการามคุณเมื่อผู้อื่นเสพการามคุณก็ไม่ดีใจบุคคลผู้บันเพญตบะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการเป็นอย่างนี้แล การที่บุคคลผู้บันเพญตบะจะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรศีประการได้ก็เพราะเขามีสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้คือโดยความเป็นผู้บันเพนตบะเขารักษาศีลให้ยิ่งไม่กลับมาเป็นคเรหัดเขาพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเขากลับจากบินบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้ว นั่งโครัวบรลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเขาละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขาในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทความคิดร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื่อนกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาท และถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทจักกุกกุจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกกุจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้ ไม่มีความสงสัยในกุูสุรธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเขาละนิวร5ประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทอนกำลังปัญญามีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ี่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 ด้วยกรุณาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่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 เป็นลัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกรีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอนไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นทีเดียวนิโครธการกีดกันบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นที่แท้เป็นลัทธิ ท, ท, ที่ถึงเพียงเปลือกเท่านั้น